ในใจมันไม่ได้ทําไม่ได้ดําเพนเจนเม็ดเจนหนวดฉะนั้นผู้ที่เห็นอาจเห็นทำในจิตในใจท่านจึงไม่คอยก่อสร้างไม่คอยทําการงานด้านอื่นตั้งหน้าต่างตาดาเพนเพราะว่านะด้วยถ่ายเดียวคนมีความสุขอันเลิไเ่ไแต่เสดแต่บางท่านบางคนมักจะเข้าใจว่าคนที่หลับผือหลับตาภ า, วานะวนาไงม่เป็นสารประโยชน์อะไรแก่โลกผู้สร้างวัตถุ บทเจดีริหารต่งางๆไม่ได้เพราะชาวโลกจะได้สึ่งพาอาศัยคนรุ่นใหม่รุ่นหลังจะได้เห็นเป็นตัวอย่างไม่เป็นอย่างนั้นความจริงท่าสร้างจิตสร้า ง, งใจของเราได้ดีริเสตพระพุทธเจ้าสร้างจิตสร้างใจของท่านได้ก็เป็นผลเป็นประโยชน์มากะทั่งทุกวันนี้ผู้ที่สร้างวัตถุในสมัยนั้นวัตถุผู้พังเสียหายไปแล้ว แต่ส่วนธรรมะที่พระพุทธเจา้าสร้างขึ้นจากการภาวนายังคงเส็นคงวาอยู่ขู่คนทน่ปราชาชนยังได้ศึกษายังเราปฏิบัติตามเรยชื่อว่าธรรมะภายในการสร้างจิตสร้างใจเป็นของสองคัญและมั่นยืนยื่งกว่าวัตถุภายนอกฉะนั้นเราทุกท่านจงอุตส่าห์พยายามสร้างกายส่า ง, งใจท้งตนพ้าเราเป็นนักบวชเป็นผู้ที่มีโชคดี จะคละารวะพอแล้วและในวัดในวาก็มีความสงบใจนัดอยากจะปฏิบัติเดิยจงกรมภาวนาในสาในดงได้าตามสะดวกสบายเร่องไม่มีพออาศัยแค่าทานการงานภายนอกเขาอุตส่าห์พยายามจะทําจริงๆจังๆไม่อย่างนั้นก็ไม่พอปากพอท้องไม่อย่างนั้นก็ทุกข์ยากลําบากในครอบครัวของเขาไม่ใช่เลยหลับ ได้นอนในกลางวันจกเท่าไรกลางคืนก็ตั้งหน้าตั้งตาทําอีกจนดึกจนดื่นถึงขนั้นก็ยังไม่ร่ํารวยเสียงขอในจิตในใจของเขาพวกเราท่านไม่มีธุระหน้าที่อะไรนอกจากจะเดินโยกมือเพราะว่ากําหนดจิตกําหนดใจฉะนั้นจงตั้งหน้าตั้งตาทากันอย่างยิ่งอย่างจังอย่าให้เขาเจ้ ต, ตูดูหมิน่นแบบกรรมาฐานนักปฏิบัติ มีใจเลื่อนแต่เทลินไม่เห็นจะ่ทำจิตแต่ทำใจไม่เห็นทําอะไรเป็นร่ำเป็นสันถ้าพวกเราท่านเนีคะพยายามรักษาในต่างาต่างๆเอาจริงเอาจังจะถูกใตนน้ทำสิฉินมินพาต่างๆนานาฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนเวลานี้เป็นโอกาสดีร่างากายก็ไม่มีโรคไข้ไขเ้เจ็บพอที่จะแตะ่ทาบำเท็ญคุณงามความดีได้ ตามความมุ่งมา่นตาทะนาฉะนั้นจงต่างหน้าต่างตาจะทําบำเพ็ญอย่ามาเล่นอยามาคุยกันอย่ามาคิดมาปรุงเรื่องของโลกเพราะเราบวชศีลากของเราต่างเขาว่าดเขาเขี้นลูกเสียงห่มของเราเป็นผ้าเหลืองผ้าตาเสวพัดเป็นธงไทยของพระอรหันต์อรหันต์ในใจของเล่นนักบวใชในใจนักเล่นนักบวใชในใจนักคุยนักบวใชในใจนักเหยียดค้าน นักบวชเป็นผู้ทำจริงนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติจริงจึงจะได้ชื่อว่านักบวชนักภาวนาจึงจะได้ชื่อว่าสมณะคือมีความสงบกาสงบวาจาสงบใจจากที่เหลือกันหามาณทิศทีต่างๆจึงจะเป็นที่บูชาตะการะจะกชาวโลกเขาตลอดถึงเควโลกคือยินพรมยมยัตต่างๆเศรษของเราก็ะเสริฐดีเศษ อ, อย่างนั้นโอกาสของเราดีอย่างนั้น อย่านอนทับติดให้พากันที่นี่พิจอนะสั่งนาตั่งจางพยายามรักษ า, า, ากายใจจางให้มั่นคงเข้าไปผูป้ที่จะกําหนดลมหายใจหรือบริกรันมควายกํา ห, หนดกันจริงๆจางจผู้ที่มีความสงบแล้วก็ยหมั่นที่นี่พิจเจอนะใจรับเข้ามากมพิจรารณากายให้แยกคลายลงไปใจจะค่อยขอดคอยถอนจากความยึดมัน่นคือมัน่นจะมีความสุขความสงบ ความส บ, บายจากการคิดการปรุงต่างๆนะถึงตายไปในการใดสมัยใดเวลาใดก็ไม่เสียใจว่าเราเกิดมาเป็นโมักไม่มีสาระประโยชน์เพราะเาได้ก่าโุยคุณงามความดีทำยิีลสมาธิปัญญาวิชาดีมุติให้เกิดขึ้นในตัวของเราแล้วตายไปเมื่อใดก็อย่างตายไปอย่างยิมยิ้มแย้มแจ่มใไมมสไม่มีการเสียจิตเสียใจเราเกิดมาทั้งชาต ในเกแก่ทำมันเป็นอะไรคุณงานความดีเด็กกอบโคยเอาเต็นที่เป็นฐานอย่างนี้แล้วเรามีความสุขอยู่เราก็มีความสุขตายเราก็มีความสุขคนเราปรารถนาความสุขย้ายได้ความสุขแต่ไม่ตกเพื่อปฏได้แบให้จิตให้ใจได้รับความสุขจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะิเลสตัณหาโกรกโกรหลงเข้าเขาจิตเข่าใจอยู่ทุกวันทุกเวลาหาความเยือกเย็นเป็นธรรมนิดหน่อยไมได้ นักบวชแบบนั้นเป็นนักบวช ท, ที่เสียเข่าสุกตาตายทั้งเขาแต่นั้นพวกเราท่านทุกคนเมื่อได้รดับรักังโอวัตรที่แนสอนไปนี้จงนำไปที่นิพพานนะและตั้งหน้าตั้งตาต่เพื่อปฏิบัติตามต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขความเจริญงดงามไทบุ์ในพระพุทธศาสาานาได้ทิ้งได้ทำไะก็เห็นหน้าเธอต้องควรเสียเวลาดีบ้างส่บบวนเรา เป็นนักปฏิบัติและนักบวชคำว่านักมีความหมายแค่ไหนใครพากันมิต่ที่เจรนาดูนักเรียนก็ต้องมีความรู้ในการศึกษาของเขานักมวยเขาก็ต้องเป็นนั ก, กนักต่อย นะครบับเขาก็รู้จักวิธีหลบหรือวิธีลุกขึ้นชื่อวันนักจึงเป็นของสำคัญเกตดนั้นพวกเราซึงเป็นนักบวชพวคือนักเล่นชั่วบาเพ็ญดียิ่งเป็นนักปฏิบัติพอยิ่งเด่นขึ้นไปสั่งนักบวชธรรมดาเพราะนักบวชธรรมดา ที่เราใส่ใจนักปฏิบัติเพือเพียงรักษาทาดีในตามตำราที่ศึกษามไม่สนใจที่จะแกอไขด้านจิตใจของตนเพื่อตามส้นไปจกากที่เลสนี่จะมุ่งหน้ามุ่งตาศึกษาตามหลักวิชาเท่านั้นเพื่อนกาปรปฏิบัติไม่ใช่ใส่ฝันถึง ส่วนพวกเราทั้งหลายที่ว่านักบวชและนักปฏิบั ต, ติจะต่อนีงพิจารณาทำบ้านนักท่งองสนอย่าเป็นคนง ม, มงายเพราะทำบ้านนักจะเป็นนักสอนนักเล่นนักยนันนักลบก็ย่มมีความหมายส่วนนักบวชนักปฏิบัติก็ให้มีความหมาย ว่าเราตั้งใจปฏิบัติกันแค่ไหนวันหนึ่งหนึ่งเราตั้งใจเดินจงกรมหนาังเภาวนาเันสีชั่วโมงหรือคอยรู้ความสลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติข้องตนเป็นอย่างไรใค้พากันที่นิสิตจรณาส่วนนี้เห้มาะเมื่ออย่างนั้นจะเขียคำ ท, ทิ่ว่านักใส่ นักบวดนักปฏิบัติเป็นนักสำคัญสำคัญอย่างไรต่อเคือสำคัญมีจิตใจสูงตา่าคนธรรมดาปกติกจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้อบรมจึกษาในได้ตั้งหน้าปฏิบัติจะต้องปล่อยไปตามเรื่องของมันอารมอะไรที่มากาม่าน จะต้องติดตามเรื่อยไปนั่นคือคนธรรมดาไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้จั่งรวมด้านจิตใจทำมรียในหรือนักปฏิบัติจะต้องศึกษาทางหูทางตาทางจิตทางใจผ่านจริ่าให้มีอินทรีย์ทั้งวรกายั้งว อ, นงว อ, นอิ น, นทรีย์เต็มศีลที่จะทําจิตทันใจของตนให้สงบ เนียบกลายเป็นสมาธิได้ส่วนในั้งวอนยินสีสีนธรรมดาจะรักษาไปสี่สีสี่เดือน4ีวันสี่คืนต่อต่างสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรื่องสีนธรรมดาไม่เยนำพาให้เกิดสมาธิเคยมีนักบวชตังสิบพรรษายี่สิบพรรษาได้สี่บห้าสิบพรรษาต่อต่างถ้าหก ไม่มีการระวังสังวร อ, อินทรีแล้วนักบวชเหล่านั้นจะไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของสมาธิจิตาจสงบลงรวมทของใจจะต้องอยู่ไปตามเรื่องต่อไปนั่นคือนักบวชธรรมดาไม่ใดทื่อว่านักปฏิบัติส่วนพวกเราเป็นนักปฏิบัติเรื่องต้นเราจะต้องปฏิบัติขีนขีนของตนให้บริสุทธิ์ขีนไพนอตามหลักของไตรใน เราก็ตั้งใจสังอรรักษาการติทค้าบทตรที่ในที่ท่านแห่ไว้ไม่ล่วงเกินแต่ทำปัปโดยขาดมืโอตสตะสเ่วนศีนภายในคือการสังวรจิตสังวรใจของตนก็อให้ทากันระวังสังอรอย่างเต็มที่เพราะจิตใจของเราซึ่งในเกี่ยวกับพระวินัยย่อมมีอารมณ์เกิดขึ้น อยู่ทุกวันทุกคืนอารมณ์นั้นเป็นไปฝ่ายโลกตก็มีเป็นไปสายทำก็มีเป็นไปสายดีตก็มีเป็นไปฝ่ายชั่วตก็มีเสี้ยดนั้นเมื่อเราไม่มีสติทินิจทิจารณาก็ไม่รู้หว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ฝ่ายชั่วหรือเป็นอารมณ์ฝ่ายดีเมื่อเราไม่คอยใจเรื่องของอารมณ์หรเราไม่มีสติมีปัญญาทีนิจทิจารณาว่าส่วนนั้นขั่วหรือส่วนนี้ดีการที่จะดี มียังจาดอารมณ์ชั่วเราก็ะหรือเรายังไปไม่าดเพราะเราไม่รู้จักว่าอารมณ์ส่วนนั้นจะทําจิตทําใจของเราให้มัวหมองส่วทนที่ดีเล่าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะติดตามหรือที่ไม่ทีอะไรมายงานะความดีให้ก้าวหน้าไปบ้างด้วยอำ น, นาจที่ว่าเราไม่รู้จักว่าอันนี้ดีอันนั้นชั่วเหมือน ก, นกันกับคนที่ไม่รู้จักทองว่าเป็นทองเกศหรือทองดี คนที่ไม่รู้จักอย่างนั้นยอมเหยียกคัดจักสันเอาของจริงไม่ได้ชันใดก็ดีการมาบวชในพระพุทธศาสนาการมาตั้งอกตั้งใจอบรมภาวนาจะต้องมีสติปัญญากำหนดเรื่องของอารมณ์ว่าอารมณ์อันนั้นเมื่อเราติดตามไม่คิดไปทำจิตใจให้มัวหมอนหรือหลุ่มลอนอารมณ์อันนี้เ่เราคิด มาเข้าเทอร์ไรจิตใจย่อมมีความสปร่งใสและเยือกเย็นนี่เป็นส่ายอารมณ์ที่ดีเมื่อรู้ส่วนที่ชั่วควรละพอมันเกิดขึ้นหรือพอมันผ่านมาเราไม่เปิดประตูลับถ้าเป็นอารมณ์เข้ามาจากทางนอกส่วนอารมณ์เกิดขึ้นทางไในเราไปรีบดับดมันเสียอย่าไปชิดไปเมกมันส่วนอารมณ์ที่ดีแล้ว เ, เกิดขึ้นเราควรต้องพิจไรณาไม่เกิดขึ้นเราก็พยา ย, ยาม ให้มันเกิดขึ้นอารมณ์จึงเป็นของสำคัญเลื่องของการปฏิบัติหาไปรู้เรื่องของอารมณ์แล้วจะปฏิบัติไปเท่าไรจิตใจจะมัวหมองหรือต่องใสก็ไม่เข้า อ, อกเข้าใจเพราะเหตุไปเพราะขาดสติเพราะขาดปัญญาเหตุนัาขาข้นขว้วทีนักขาดการทั้งหอนระวังจึงนักอยากจะรู้ว่าวันนี้จิตใจของเรารุ่มร้อน วันนี้จิตใจของเรามัวหมองแต่ในรู้เหตุว่าจิตที่จะเกิดความรุ่มร้อนหรืมัวหมองขึ้นมาเพราะเราไปคิดนิพิจารณาหรือคิดเรื่องอามอะไรเราไม่เด้คิดนิพิจารณาเขาคิดเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรแน่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเกิดขึ้นจากเหตุเหตุเป็นผู้ผิดผลขึ้นมาไม่ว่าอะไรทั้งหมดหากไปนู้เหตุ แล้วเรื่องของฝนด้อมเกิดขึ้นในบ้านจิตใจที่จะได้รับความรุ่มร้อนมัวหมองก็อพระเหตยคิดชั่วที่เราไปคิดไปปรุงจิตใจมันจึงเกิดความรุ่มร้อนมัวหมองขึ้นมาหากแม่เดเกไปคิดติดตามเรี่ยงชั่วก็เลยวามัวหมองหรือรุ่มร้อนใจย่อมไม่มีเหมือนกันกับคนที่ในไปแก้ต่องเรื่องของายมันย่อมใหม่ในเขาคนที่ไปเหยียบใครหรือไปแก้ต่องใจ จะได้รู้จักบาดไฟคนนั้นแหละจะได้รับความเด่ร้อนแก่ตนของตนฉันใดเรี่องจิตใจของเราท่า ห, หาไปรู้จักในนิยมสติในนิมิมมญยาตัเหมือนกันนั้นเศรษนั้นเขาก็ใช้เจ้าจึงแนะนำคำสอนขวกเราถึงจนนักปฏิบัติให้พากันมีอินทรีสัง้งวรคือสังวรตาสังอวรหูงังวรจมูกลิ้นตายใจของตนจึงอยากว่าอินทรีย์สัง้งวรตาเหมือนโอ้ ปก ต, ติรูปมันมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่ฮะเราในเด็ที่นี้ที่เจอนะรู้ไหเรา่นสั้งวรถ้ารูปชั่วเราอาจจะเกิดการเกียดตังรูปเหนเสียรูปดีเราเราก็เกิดความําลังยินดีอยากได้ขึ้ น, นมาเมื่อไม่นเต็มเช่นั้นมันจะต้งเข้าใจของเรารูปชั่วก็ทําให้ใจิตใจของเราเราร้อเพราะความใม่ต่างๆเพราะความในอยากเห็น รูปดีเล่าก็ทำในใจของเราหลากแขนยินดีให้ได้ในทางตามอารมณ์ต่างๆพระพุทธเจ้ายังแนะสอนนักปฏิบัติใส่ทีนี้คือเจริญนาให่จังวนตาทังสนรูปก็ให้ฝสกแต่ละรูปเพื่อไม่ให้ไปยินดียินลายใส่ที่จเจริาเช่นารูปจับยันรูปอยากรูปฟางฟางให้รูปละเอียดาตา่อไปมรูปเหล่านั้นจะต้อง มีกาแรแปรปวนในเบื้องต้นและจะส่องแต่สลายไปในที่สุดของมันในรูปหญิงหรือรูปชาย่ยอมเป็นอย่างนั้นรูปตนให้ภูเขากเหมืองกันเมื่อเรารูปหรือังของรูกว่าเป็นสักแต่ละลูปในเชนะื้อมาทำความยุ่งเหยงิงกับจิตกับใจของบุคคลผู้ใดที่ยุ่งเหยิงก็คือจิตใจของเราได้เกี่ยวกับตัวคันกับรูปแบบนั้น เม่เราเข้าใจอย่างนี้เด้นลูกโดยในตาของเราไปต่อจบภพบข้าก็ให้ชิ้นที่จะรายงเรื่องไตรลักษณ์ไปจับสิ่งในใจเพื่อจะแก้ไขความรุ่มหลงของลูกดังนั้นไม่ให้มาพัวพันด้วยจิดข้อในใจของตนเสียงก็มืวนกันเสียงไม่ใช่ขาดจากโลกโลกอันนี้มีอยู่เมื่ อ, อไรเสียงก็จะอีมีอยู่อย่างนั้น เสียงดีมันก็มีอยู่ในโลกอันนี้เสียงชั่วเหมือนกันมีอยู่ในโลกอันนี้หากเราไม่ที่นี่ที่จะไะเพื่อแก้ไข จ, จิตใจของเราแล้วจะไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสงบสบายไปได้เพราะชั่วก็จะมาติดหัาใจของเราดีกว่าจะมาทำจิตใจของเราให้ายากหน้ามัวเมาเก่ยวันเกลียดนั้นองค์สั้นเดชให้จอมคันตั้มาสัมผัสใจเจ้าของเราขัานจึงแนะนำคำสอ น, นขวกนักปฏิบัติ ซึ่งชื่อวันนะ้นจะต้องต่อสู้ในเรื่องของรูปเสียงกิ่นรขโผฏฐะและธรรมารมซึ่งมีอยู่ในใจโลกอันนี้และมีอยู่ในจิตในใจของตนไม่รู้จักเรื่องของรูปเสียงกิ่นรขโผฏฐะและธรรมาลงตามเจนจิงของทักษะแม่ย่างนั้นเราจะต้องได้รับความ เราร้อนอยู่ทุกการทุกเวลาเพราะเราอยู่ในโลกจิตใจเมื่อหากไม่มีการชั้งบอลระหว่างจะต้องได ร, รับความลำบากเพราะความไม่รู้เรื่องสมมติฐานของมันว่าอันนี้จะจิบฝนดีให้หรือจะจิบฝนชั่วให้แก่ตัวจิตบ้องต้นคือเรายังไม่เคยสุกผลอบรมในทางปฏิบัติเหมือนกันกันกบเด็กธรรมดาเด็กทางหาก ที้ยงหรือพ่อแม่ในดูแลจะต้องมีอันตรายมากเพาเด็กยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอันตรายแก่ตนเยอะจะตกน้ำเยอะตกิูกไฟไม่คพอเพราะเขาไม่ยังไม่รู้จักว่าไฟมันเป็นไฟอย่างไรแนะมันทํำไฟให้แกนคนผิวไม่รู้จักอย่างไรในเมื่อเ่าไหวนะแม่เก็บเพราะเหตุ น, นั้นเราถึงเคยได้ยินเด็กตกแน้ำตายอยู่บ่อยส่วนกู้ใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้น ไฟมันมีอยู่ในโลกนะมันมีอยู่ในโลกกว่าสี่แต่ตัวใหญ่นําเอาไฟและน้ำเหล่านั้นแมาค่าเป็นสารประโยชน์ในครอบครัวด้วยในชีวิตของเขาส่วนเด็กมันนํามาเผามันนะไหม้มั น, มมมมนนะหรือจะตกน้ำก็ไหวในเป็นอาตายจากน้ำนี่แหละเรื่องของเด็กเป็อย่างนั้นการตระหนึปฏิบัติ ท, า, ทางจิตทางใจของเหมืองกันเด่เนสัที่เราฝึกฝนตำรับแมนฉบับใหม่ เราก็จะต้องอาศัยตำรับตาลาอาศัยครูบาอาจารย์แนะนําัฒนสอนและอาศัยคนของตนฝึกฝนสังเกตความเป็นไปของจิตของใจแ่าทําอย่างไรจิตใจของเราจึงได้รับความสงบเยืกเย็นลงไปท่ามอยรจิตใจของเราจึงร้อนเผาตัวเองเมื่อเราสื่ทีนี้พิอะไรณาเรื่องของจิตเข้าใจ ได้แนอนลงไปวาเหตุคือเราเลืดิดตามอย่างนี้จิตใจของเราจรงเรา้หรือัวหมองเรากอพืนลเว้นด้วยหมีเบี้งเรื่องของความชั่วเหล่านั้นหรืออารมณ์เหือนั้นใหหายไปนะฮเกิดใ้เป็นสิภ า, ายนอกหรือจากใจของตนาาหากเารือเปิดประตูให้ความชั่ว เข้ามาอยู่ทุกวันทุกเวลา้องดีหรือข้าซึ่งมีอยู่ในจิต ใ, ใจของเราจะต้องจิตหายไปหมดเมื่อวันกันเราเปิดไประตูให้โจรเขาเข้ามาบ้านของเราเราไม่รู้แน่ารู้ตาว่ะคนคนนี้จะควรให้เขา้าหรือไม่หรือคนพวกนี้จะควรให้เข้าหรือไม่เราไม่รู้จากบัเขาเป็นโจรเป็นขโมยก็เลิกเปิดประตูให้มันเข้าไป เมื่อมันเข้าไปแล้วสิ่งของที่มีค่าราคามันจะต้อเก็บซ่อนหรือสมวยเอาหมดหรือไม่อย่างนั้นมันจะพักชวนกันมาส่วนเห็น่ระเป๋าเงนินทองของเราห ม, มางมาใส่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของชวนฉันในดเรื่องจิตใจที่ไม่รู้จักทางเสวะก็เมืองกันทำจึงแหกพากันสอบด้วยปัญดาของคนให้มีสติเป็นนายประตูนยายามรักษาการปลุกจาก ทุกอย่างด้วยการทำทุกอย่างการคิดทุกอย่างแนวนีสติเป็นถูกประทัปรรองรักษาเร่ยกพูดจาออกไปจะเป็นใครอันตรายอย่างไรจะเป็นท้องสนจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรแกท่านู้ฟังช่างทีนี้ที่จรนาเสียก่อนคนที่ทีนิ้ที่จรนาเสียก่อนนั่นแหละจะไม่เดือดร้อนในภายหลังสาเหตุว่าเราที่แจแน แน่นอนแล้วจึงขอบปวดไปจึงขอบทาไปนี่จึงคอยคิดไปคาหาขาดการยับยั้งที่นี่ที่จะและนาแล้วคนนั้นจะต้องเสียเพราะความไนแดบที่นี่ที่จะแลย์เนี่ก <c oughs> ารเปิดประตูชั่วถ้าเข้ามาในใจของตนเป็นอย่างนั้นเป็นทางที่จะทำใจัง้งตนให้เศาหมองนีือเหล่าร้อนเกิดแม้น้าผู้ชา้จ่ายจึงแค่ ในการเปิดประตูชั่วประตูชั่วท่าทิประตูทางดีที่จะเปิดจสิ่งมงคลแก่นหรือเกิดปฏิปรัรยายที่จะนนของตนให้สร้างแน่ไปสู่คัามปสงบด้วยความหุดงหงแบบนีเลยพระพุทธเจ้าใครเปิดนีพวกเรานักปฏิบัติข้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้ยอ่อนจิดชั่วไว้ในางและเปิดรับดีในดาง เกิดนั้นจึงชาการตั้งวรระวางเรื่องความทั่วและเปิดประตูวัดความดีทั่วไปความดีที่จะเกิดขึ้นได้ก็หมาใส่บุคคลผู้อื่นผู้ใดที่จะนคำความดีมาให้เราเองเป็นบุคคลความดีเป็นเหตัวนของเราส่วนคนอื่นเป็เลือกพลอยได้เป็นทำเกันแลงเสริมเยียวยาของเข า, ากล่าคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ดีอย่างก็เพราะตัวของเราทําดีคนอืน่นเท่าจริง ลอยกันในเส้นทางทางเราทันทั่วคนอื่นเขาตกลายมุนทางไตามเหตุนั้นต้นเหตุจึงเกิดขึ้นจากตัวของเราทุกสิ่งทุกประการไปเราได้เข้าใจว่าความเชื่ออยู่ที่อื่นความดีอยู่ที่อื่นเมื่อเข้าใจว่าความดีอยู่ที่อื่นความเชื่อยู่ที่อื่นจะต้องแสวงหาความดีความเชืวอวิระอยู่ที่อื่นบำเพ็ญอยู่ที่อื่นส่วนจิตใจของตนเดี๋ยวนี้คือจะไรด้แน่คนอย่างนั้นจะไปหาความดี ต้องแต่บรรทัด้นตลอดบารทัจะไม่เจอคามดีเพราะเห็นควานดีอยู่สถานที่อื่นในเห็นควานดีเกิดขึ้นจากตัวตั้งตัว